أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا ا ل ا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ا ิ ل َัม توّقر لنا وترحمنا نكونا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشد اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله إنك ر ا มีคำถามก่อนที่เราจะเรียนเป็นคำถามในเชิงที่จะมาทบทวนตัวเองทบทวนพวกเราทุกคนคำถามก็คือว่าพวกเรามีความรู้สึกว่าเราเรียนพอกันหรือยังเราเรียนเราอ่านรู้สึกว่ามันเพียงพอเรียังบางครั้งมีความรู้สึกว่าเอะเรียนทำไมบ้างไหม ถามแปลกไปหรือเปล่าบางครั้งก็นั่งคิดว่าเอ๊ะต้องเรียนทำไมอีกเนี่ยฮะยังไม่พออีกหรือเรียนมาตั้งเยอะแล้วจนกระทั่งไม่รู้จะเรียนอะไรและฮะมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นคำถามมันก็เลยมาว่าเมื่อไหร่ถึงจะพอการเรียนศาสนาเนี่ย เ, เรียนอัลกรุรอาน เรียนซุนนะของท่านรอซูลสลลัลลอของเราสัลลัมเมื่อไรถึงจะหยุดได้สักที่ะบอกว่าให้ถึงตายก่อนแล้วจึงเป็นจะหยุดนะครับผมก็เป็นห่วงเหมือนกันบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกนี้มานะครับเพราะว่า ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันคิดเพื่อที่จะตอบคำถามให้กับตัวเองตอบข้อสงสัยที่มันเข้ามาในในตัวของเราเองนะครับไม่ได้ที่จะเอาไปเอ่อเขาเรียกว่าไปสร้างปัญหากับคนอื่นแต่เรากำลังจะหาคำตอบกับเรารู้แหละ ว, ว่าความรู้สึกนี้หรือคำถามนี้มันเป็นคำถามที่ไม่ค่อยจะถูกต้องแต่บางทีเราไม่รู้จะตอบอยังไงว่าทำไมต้องเรียน ท ำ, ทำไมต้องเรียนทำไมต้องเรียนเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยทำไมต้องอ่านทำไมต้องฟังเดี๋ยวบรรยยัญญาตรงนั้นก็ต้องไปฟังอีกเดี๋ยวปรรัญญาตรงนี้ก็ต้องไปฟังอีกมันฟังไม่รู้ไม่รู้จักกี่กีเวทีแล้วฟังนไม่รู้จักกี่เนี่ยคําถามแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีมานะครับเราจะต้องหาคําตอบให้ได้ในจํานวนหลายๆคําตอบที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาใช้นะครับกับพวกเรากับทุกคน กับตัวผมเองด้วยคือเราเห็นว่าคนอื่นเนี่ยไม่เคยหยุดเขาไม่เคยหยุดอ่ะชัยตอนก็ไม่เคยหยุดชัยตอนนี่ตั้งแต่วันแรกที่มันประกาศตัวเป็นศัตรูกับลูกหลานอาดัมเนี่ยมันไม่เคยหยุดมันสะสมประสบการณ์ของมันในไม่รู้กี่พันปีความรู้มันเยอะกว่าเรามาก ความรู้เทคนิคของมันเนี่ยที่จะเอาชนะเราเนี่ยแปลว่าเทคนิคแปลว่าเทคนิคเยอะมันข้อจะอัลลอฮ์สั่แต่ละเรื่อว่าให้มันมีชีวิตอยู่จนกระทั่งคนแก่มัน โดยเหตุที nombreux, ne, ่อ so, ัลลอฮฺบอกแตลทให้มันหลงทางเนี่ยมันประกาศชัดเจนว่ามันจะทาให้เรานั้นหลงทางกับมันด้วยทันี้ทั้งนั้นทังนี้ทนี้ทั้งันั้งนี้ังนังนั้งนันทั้งนี้ทั้ันทักงน้งนะ้นั้งันั้นทัาีั้ังันััังนัน ฉันจะมาจากข้างหน้าจะหลอกพวกเราจากวิธีตรงๆซึ่งซึ่งหน้าจากข้างหน้าเราอ่มานนมาอยนไอดีมา ม, ม, มาจากข้างหลังเอากันข้างหน้าไม่ได้เอ า, าข้างหลังแทงข้างหลังมาทางอ้อมมาตรงไม่ได้ก็อ้อมมามันไม่ได้อีกอันว่าอันไอ้มาเนี่ยมมาทางขวา ทางขวาไม่ได้ว่าอันชมาอิลิห์มมาทางซ้ายว่ละตาจิดูอักษรขอชาคีรีแล้วพระองค์ก็จะพบว่าบรรดาบ่าวของพระองค์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าไม่ค่อยที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เรายังไม่ชนะชัยตอนนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องเรียนอยู่เมื่อไร่ก็ตามที่เราชนะชัยตอนได้เอาเลิกเรียนได้เลยตอนนี้ยังไม่ชนะ ยังแพ้เชยตอนอยู่ทุกวันนะแพ้เชยตอนทุกวันตั้งแต่จะตื่นขึ้นมาก็แพ้แล้วใช่ปะ <c oughs> เราแพ้เชยตอนตั้งแต่ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้อนาฬิกาปลุกให้ปลุกกี่กี่ตีเท่าไหร่แล้วตื่นตามตามที่เราตั้งนาฬิกาไว้หรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ตั้งนาฬิกาไว้เลยเห็นไหมตั้งแต่ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เราจะตื่นนอนขึ้นมาเราก็แพ้เหมืนแล้ว เราไม่ต้องนับช่วงเวลาที่เราออกไปทํางานออกไปเรียนออกไปทํากิจกรรมประจําวันไม่เสมอไม่เคยชนะ <c oughs> ช, นะชนะน้อยครั้งมากแต่จะบอกว่าชนะเฉยตอนแพ้กับเสมอเพราะฉะนั้นยังต้องสู้ด้วยการเรียนนะครับต้องหาทางเรียนหนังสือเออไม่ใช่เรียนไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวหมายถึงว่าเรียนวิธีการที่เราจะเอาชนะเฉยตอน ชนะฮาวานัฟซูและชนะอีกหลายหลายอย่างชนะตัวเองชนะอีกฝั่งหนึ่งที่กำลังเรียกร้องเราให้ไปสู่หนทางที่มันอูบิลละฮ์มิญจาลิกชัยตอนก็เรียกร้องไปสู่หนทางของมันนรกก็เรียกร้องไปสู่หนทางของมันสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนแล้วนะครับว่านารกเรียกในวันอัคราเนี่ยนรกจะเรียก ข ล, ล่ะอินน่าละ ضاء อินน่าละ ضاء นั่งซ่าต์ต์น์นลิลชวะจะดูมันอัด bara วะตะวันละนรกจะเรียกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเรา ต, ต้องเรียนอยู่นะครยังจำเป็นต้องเรียนอยู่หรือแต่ที่คำสอบสุดท้ายถ้าเราคิดว่าเราเรียนมากแล้วความรู้เราพอแล้วมีงานอื่นให้ทำถ้าไม่อยากเรียน ดูสิว่าจะเอารึปล่าถ้าคิดว่าเรียนพอแล้วเนี่ยมาสอนกันไปสอนคนอื่นเอาเรียนเยอะแล้วทําอะไรอีกอะก็ต้องสอนคนอื่นสิต้องเอาความรู้ที่เราเรียนไปบอกคนอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันบางทีไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราเรียนเยอะก็บอกคนอื่นได้และจําเป็นด้วยการสอนเหมือนกับการลงทุน การลงทุนในผลบุญที่เราหวังในอาขรัตจะเอาล็อกสุขภานของเราตลอดตราบใดก็ตามที่เราสามารถสอนคนอื่นได้นั่นก็แสดงว่าการเรียนของเราก็จะยังไม่จบเพราะเราสอนได้ตลอดเราเรียนอะไรแล้วก็สอนเพื่อนเราเรียนอะไรแล้วก็สอนเพื่อนพอสอนหมดปุ๊บถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรียนได้ตลอดถ้ากลัวว่าเรียนแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรสอนสิ บอกคนอื่นสิเผยแผ่ให้กับคนอื่นสิแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนอยู่ตลอดเวลาวันนี้เรียนอั่งนี้เอาไปบอกเลยเอาไปบอกเลยบอกช่อาทางไหนก็ได้ขอให้เป็นกันบอกบันเรียกว่าอันนี้ว่าเราเอ่ ย, อยจงเผยแผ่จากฉันถึงแม้เพียงแค่ไอ้อะเดียว มีเรื่องผมจําไม่ได้แต่มีเรื่องเล่าอะคนที่รับอิสลามในอเมริกาพงรับอิสลามมาใหม่ๆพงรับอิสลามมาใหม่ๆนี่เข้าสู่เราเนี่ยพอเขาละหมาดเสร็จปุ๊บตัวเองก็เอาไม้มาแล้วก็อ่านอายะห์อัลกุรอานที่ตัวเองเรียนอะเรียนอายะห์กุรอานมาสองสามพยักเนี่ยเอาไม้มาแล้วก็อ่านอายะห์อัลกุรอานแล้วก็แปลความหมายให้ฟังแล้วก็วางไม้ มีคนไปถามว่าทาอะไรอย่างเมืออเม่ อ, ก, อ, อ, ก, อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ทอะไรอ่ะเขาบอกว่าท่านนบีบอกว่ า, านนบรรลิวาอันนี้ัรรลุอ่ะจงเผยแพร่จากฉันถึงแม้แค่อายัดเดียวฉันรู้อายัดเดียวฉันก็บอกอายัดเดียวของฉันดังนั้นการเรียนของเราไม่มีความหมายเรียนยังไงก็ไม่พอถ้าหากเรามีงานที่ต้องบอกคนอื่น คนที่มีความรู้สึกว่าเรียนพอแล้วแสดงว่าเขาอยู่เฉยๆเรียนแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้เอาไปบอกต่อซึ่งน่าเสียดายมากความรู้จะอยู่กับเราก็ต่อเมื่ออันดับแรกเลยทบทวนเรียนแล้วไม่ทบทวนหายแน่นอนสองทบทวนเสร็จแล้วต้องปฏิบัติต้องเอามาทบทวนแล้วปฏิบัติจะอยู่กับเรานาน ทวนปฏิบัติบอกคนอื่นเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราบอกคนอื่นในสิ่งนั้นนั้นถ้าอยากจะให้ความรู้อยู่กับเรานานๆและเรารู้เรื่องที่เราเรียนมากที่สุดต้องทําและต้องบอกคนอื่นนี่แหละครับถ้าเราทําอย่างงี้ปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเวทีไหนฉันเรียนได้หมดไปจะสอนอะไรฉันเรียนได้หมดเพราะว่า ฉันรู้ว่าจะเอาความรู้ที่ฉันเรียนเอาไปทำอะไรเอาไปทำเองเอาไปบอกคนอื่นเอาไปเขียนในสเตตัสก็ได้ไม่มีปัญหาเอาไปใช้ในโซเชียลเอาไปเขียนบล็อกเอาไปทำเป็นโปสเตอร์ใส่ i ิน t ต g r กรเอาไปลงทวิตเตอร์ก็เยอะแยะไปหมดนะขอให้เราเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้จักลงทุนเพื่ออัไรนะครับอิชอัลละสุขะเราจัด แต่งคำถามเฉยๆนะครับกลัวว่าพวกเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเยอะมากเลยเนี่ยมาเรียนม่รู้ตั้กี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เลยบอกเอาไว้นะครับกันกันเอาไว้เผื่อพวกเรามีความรู้สึกว่าเราเบื่อนะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกเวทีหนึ่งนะพรุ่งนี้กับบรืนนี้เว ท, ทีที่เราไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับมีบรรยายหัวข้อที่สําคัญมากที่บางเท่านะขอเชิญชวนพี่น้องไปทุกคนอันะวา่า صحاب ิฉันและ صحاب ของฉัน เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าหลังๆนี้เราเห็นการบิดเบือนคําสอนของอิสลามเยอะมากนะครับนนเห็นไหมอันนี้คือเหตุที่เราต้องเรียนเเพราะอีกฝั่งนึงมันมีเยอะไอ้ที่บิดเบือนไอ้ที่อะไรเนี่ยเราต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าเขาบิดเบือนยังไงจะได้ป้องกันตัวเองจะได้ไม่บิดไม่ไม่โดนไม่โดนหลอกจากคําสอนที่มาหลอกลวงให้เราเผลอให้เราทะเลถลายออกไปจากเส้นทางที่เป็น ا ัศ <c> รัตอัลตัตีน والعياذ بالله วันียาติทว <oughs> ไรครับ إلا المصلين وإذا مسه ال الخير منوع ร ؤ أ ن لا ما بالله أنتم ت 19็นต้น29นี่เราอธิบายไปแล้วนิดนึงแต่เราเริ่มตั้งแต่19เริ่มตั้งแต่19 เริ่มอ่านตั้งแต่สิบเก้าอ้อุนตารอิ <ه> مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إ ิลล์อัลมَสล ل มอิลล์อัลَุสลิม م ัลลัตินะฮุมัลลาศลัติหิมด ع ยม وال َّ ذ ي ن َ في أموالهم ََِِ حق َ معلوم <ت ص في ق> للسائل والمحوم ي ละที่น ي ้นจะเป็นที่พั ه พ م งของผู ب ِ م ่มีความเชื่อ อินน่าฎาบรบหร์มเอมุนินับห okay. you know ิมไกร์มเอมุนนะครับอินน์อินซานะขุลิ q ฮัลวงะรับบแล้วนะครับอายต์นี้เป็นอายต์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้แฉหรือเปิดเผยถึง จุดอ่อนของเราเองฮาลูอัลฮาลูอัก็คืออัลกุรอานเองได้อธิบายเอาไว้ในสองอายัดหลังจากนั้นแต่โดยรากศัพท์ของคําว่าฮาลูอัหมายถึงว่าความละโมบอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราเป็นจุดด้านลบของเรามนุษย์มักจะมีความละโมบ سرعة ท nah, e? e? e? ุ่งพ سرعة ทุ่งเจ้าอ่าอิฟราตุนัว خروج เธอในทวัตต์และอัตติการที่วัยของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยออกไปจากความสมดุลนี่คือคาว่าอารคือมันควรถ้าจะให้ดีมันควรจะอยู่เท่านี้แต่มันไปเยอะกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราดีใจเราดีใจเยอะเกินไปหรือเวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราเศร้าใจเวลาที่เรากังวลใจเรากังวลมากเกินไปนี่คือคําว่าฮัลุซึ่งอัลกุรอาน ก, ก็อธิบายนะครับอิดามะซาอุชารยาซูอัลเวลาที่โดนสิ่งที่ไม่ถูกใจโดนสิ่งที่เป็นความลําบากก็จะเกิดอาการกระวนใจอิละฮะอิลลอห เมื่อโดนกับสิ่งที่ไม่ชอบใจและความลำบากก็มักจะอดครวญโอเจ็บจังเลยผิวจังเลยไม่ไหวจังเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ผิดหวัง น, นี่คือคำว่ายะซู ah ่อาเวลาที่เจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ง่ายได้ก็มักจะตรณีมักจะขี่เหนียวมนูษก็คือเก็บเอาไว้กักเก็บเอาไว้ไม่ยอมที่จะชใช้จ่าย เมื่ออัลลอฮ์ س ه และ ت ع ได้เผยให้เราเห็นถึงจุดมืดในตัวของเราแล้วเนี่ยอัลละฮ์ตาจะไม่ปล่อยให้เราเคว้งคว้างนี่เป็นฮะดยุลกุรอานเป็นวิธีการที่อัลกุรอานใช้สอนเราบอกหมดบอกแบบหมดไสหมดพุงอันนี้เจ้าเป็นอย่างงั้นนะนิสัยของเจ้าแย่อย่างนี้นะ แล้วปล่อยให้เราอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นไหมไม่เวลาที่เราแต่เราพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตปัญหาเกี่ยวกับอัคเเกดปัญหาเกี่ยวกับอมรรยะหรือปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีคําอธิบายเพื่อที่จะมาบอกว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไง น, นี่แหละคืออายัดหลังจากนั้นอิลลัลมุสลี โอเคมนันษย์ทุกคนมีนิสัยละโมกมีนิสัยที่เกินเลยไม่ว่าจะเป็นเกินเลยเวลาดีใจหรือเกินเลยเวลาเศร้าใจแต่มีไหมคนที่ไม่มีนิสัยอย่างนี้หรือคนที่ปลอดจากโรคนี้โรคนี้เป็นโรคทางจิตใจตเป็นโรคทางจิตใจนะครับเรียกว่า อ, อัมราตุลกูลูโรคแบบความละโมกความตระนีที่เหนียวความกระวนกระวายเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ กับหัวใจของเราซึ่งในอัลกุรอานเรียกมันว่ า, al, al ū, นนวาอาัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอันอัลอัีอัลอัลอัล่ัลอัลอันอัลอัลอัลอัลอันอัลอกขอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลาัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอัลอดจอับรัลอัลอัลอัล สุภานั im im, al ่นแหละคำนี้โดยตัวของมันเองเนี่ยมีความหมายจำเพาะเจาะจง Allah ตรัสอะไรไม่ใช้คาว่าอิลัลมุอฺมินินอิลัลมุสลิมินอิลอัลมุตตะอินอิลล์ไม่ใช้คาว่าอิลล์อัลมุสลินความหมายของมันคือนอกจากบรรดาผู้ที่ ดำรงไว้ซึ่งการการละหมาดอาล่ะถ้าเราใช้คำว่าการลมาดคนที่ละหมาดเนี่ยคนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคือคนที่จะปลอดภัยจกนิสัยฮะลูอในอายะ์ในสุรุตุลอังกบูลอินนัล صلاة ต้นหาอกนิลฟกับฟัชชัลมุนก์การละามาหนั้นสามารถที่จะหักห้ามจากฟัชชะฟัชชะก็คือการทำผิดประเวณีส่วนใหญ่แล้วคำว่าฟัชชะในอัลกุรอานจะหมายถึงการผิดประเวณีการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสวัลมุนก์ก์หรมุนก์กก็คือความชั่วทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ละหมาดอ่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่การดูแลการละหมาดของเรามีความบกพร่องเริ่มและโรคตา่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจจะเข้ามาหาดังนั้นอินเลมุอลลีนจึงเป็นคำที่อัลลอฮฺวางสาจำเพาะเจาะจงเอามาใช้กับจุดอ่อนจุดดำที่ร้ายแรงในเรื่องเหล่านี้มาดูกันนะครับว่าทาไม ดิฉันให้คำว่า "المصلين" إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دايمون นอกจากบรรดาคนที่ละหมาดละหมาดยังไงบรรดาผู้คนที่รักษาเวลาในการละหมาดทุกครั้งและไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นทำให้เขายุ่งจากมัน دايمون ดา يم ุนหมายถึงว่าละหมาดเนืองนิด รักษาละหมาดครบทุกเวลาบางทีเราอาจจะละหมาดแต่ไม่ได้ดา -immun ได i m มู n เนี่ยนักตัฟซีดเวลาที่มีการตัฟซีมาอธิบายอัลกุรอานเนี่ยจะมีตัฟซีดออกมาเป็นสองสองลักษณะใหญ่ๆคำว่าได i m มู n ล, ลักษณะที่หนึ่งก็คือรักษาละหมาดให้ตรงต่อเวลาไม่ใช่ว่าซุบฮุเอาไว้ อ <laughs> ไม่ตรงต่อเวลาซูบปอรนี่เวลาน้อยมากแต่บางคนนี่ค่อนข้างที่จะหลายคนจะค่อนข้างที่จะละเลยกับเวลาซูเปอซูเปอนี่ก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นก็หมดแล้วถ้าช่วงนี้นี่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณสักปีเดี๋ยเท่าไหร่ที่หกกว่าไม่ถึงหกครึ่งนะถ้าใครละห ม, มาดซูบปอร์หกครึ่งแสดงว่าไม่ละแสดงว่าไม่ได้ไม่ใช่ซูบปอรในเวลาของมันละซูเปอของมันตอนนี้ซูบปอร์เท่าไหร่ครับ ซูีโอโหทไ้าสิบหกซีห้ oh, oh, าสิบหกใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ไม่มีอิสรัอริชรอกเขาไม่ได้ใสเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยประมาณหกนาทีเอหกหกนาฬิกาสิบเากหนาทีสี่สิบสี่ประมาณหกนาฬิกาสิบสี่นาทีแต่บางทีเราอาจจะเห็นมืดมืด อ, อะถ้ามีฝนมีอะไรหน่อยนิดนึงอะ เฮ้ซูบูยังไม่หมดนอนต่อสักนิดหนึ่ง น, นู่นตื่นขึ้นมาหกครึ่งอ่ะหมดไปแล้ววัตตุบูบนี่แหละครับต้องระวังให้ดีนะครับเวลาอื่นเนี่ยเวลาอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะกว้างนะโซฮอก็อาจจะเยอะอาซัก็อาจจะเยอะมะเร็บก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่แล้วมะเกรบนี้เราเราเสร็จจากภรารกิจอื่นเราอาบน้านอะไรเสร็จอะไรเสร็จก็จะมักจะละหมาดตรงต่อเวลาอะไรอิชาก็ไม่เป็นไรนะครับยาว แต่มาสับชาฟิลินส์อิชายาวแต่มาสับอื่นอิชาไม่ยาวเหมือนมาสับชาวฟิลินะครับมาสับอื่นนอกจากมาสับชาวฟิลิบางมาสับนี่บอกว่าวักตัวอิชาไปจนถึงเที่ยงคืนแค่นั้นเองไม่ใช่ถึงซูโบในมาสับชาวฟิลินี่วักตัวอิชาก็คือตั้งแต่เข้าวักตัวอิชาจนกระทั่งเข้าเข้าซูโบแต่มาสับอื่นไม่ใช่นะมาสับอื่นแค่เช่นคืนจบละวักตัวอิชาใครที่ละหมาดหลังเที่ยงคืนก็ มี خلاف กันเองว่าอะไรหรืยองไงเพราะฉะนั้นอินนั่ล صلاة ที่การณ์ต์อัลลอฮฺมุลเลาะห์บนันี่ถูกกาหนดเอาเปมัมากูดคิดาบันมากูขถูกกาหนดเอาไปให้ตรงกับวัตูของมันเราจะเอาไปเหมารวมไม่ได้เหมือนบางลัทธิบางมุสลิมที่ห่างไกลจากอิสลามเมารวมเลยเวลาละหมาดวตูเดียว อาบุลบิลลอีอีอ้วิมิศลตลิดลุกิชัมอีลาสกไลลีว่าอุรานัลฟักรอินน์อุรานัลฟักร์อีคานาฉูดดอัิมิศสลัตลิดูลุกิชัมส์การละหมาดเวลาที่อะไรนะตรงอาทิตย์มันเบียงมันบอกหมดทุกอย่างทุกอย่างนี่บอกเวลาของมันเป๊ะเหมดแล้วการละหมาดห้าเวลามันมีฮห้บักใหญ่หลวงมันเหมือนกับเป็นระบบ หรือระบบเวลาที่ตั้งอัตโนมัติให้กับชีวิตของเราตื่นขึ้นมาคุณต้องละหมาดชาร์จพลังแบตเตอรี่หัวใจของคุณก่อนหัวใจของคุณให้เต็มให้แบตเตอรี่มันเต็มก่อนที่คุณจะออกไปเผชิญหน้ากับโลกกว้างโลกที่เต็มไปด้วยสมุนของเชตตอนแบบคงต้องเต็มก่อนเพื่อที่จะได้สู้กับอะกับคู่ต่อสู้ ออกไปแล้วเนี่ยสู้กับคนนั้นสู้สู้กับสมุนตัวนั้นสู้กับสมุนตัวนี้แบตก็เริ่มอ่อนอะเปิดแอปเยอะเกินไอแอปเยอะเกินใช่ปตอนเที่ยงต้องชาร์จรอบหนึ่งอ่ะต้องพา power bank ไปด้วยอ้าที่ทํางานก็ต้องมี power bank ไปด้วยต้องมีที่ละหมาดที่ทํางานเพื่อชาร์จพลังยศออกไปทํางานต่อกลับบ้านทํางานเสร็จปุ๊บละหมาดชาร์จพลังอีกรอบหนึ่ง กลางคืนอีกสองรอบก็คือช่วงมกริบกับช่วงอิชามันมันให้อย่างเหมาะเจาะเลยนะครับโดยเฉพาะละหมาดซุบุกละหมาดซุบุกเนี่ยละหมาดอิชากับละหมาดซุบุกนี่จะมีความสําคัญที่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญหมดนะแต่ว่าแต่ละละหมาดเนี่ยจะถูกระบุความสําคัญไม่เหมือนกันอย่างละหมาดอสาัสรก็มีความสําคัญในในใ น, ในมิติของมันละหมาดอัสซรเนี่ยถูกระบุในอัลกุรอานด้วย والصلاة الوسطى ในอัลกุรอานอาอัลลมันอ่สร็จคือ الصلاة الوسطى الباردين นะครับล الصبح นี่ Allah تعالى บอกเองว่า الفجر Qur'an ا ل, أ ل ق ر ج ر หมายถึงอัลกุรอานนะเวลาศุบุกอินนั Qur'an الفجري كان مشهودة ت ج م ا ع ن س ك ن ช่วงที่รู้อัานอัลกุรอานอัลละมันุบเพราะฉะนั้นลมุบนี่ท่านบายาวส่วนใหญ่แล้วท่านบายาวลมุบ เพื่อจะได้อยู่กับมาลายกัดนานๆในมาลายกัดมานะครับอ่านอ่านสุรภเยียะละหมาดสุบกละหมาดอิชชาก็เช่นเดียวกันละหมาดอิชชาเนี่ยนะถูกระบุในฮะดิษบางฮะดิษว่าเป็นละหมาดที่หนักมากสําหรับพวกมนาฟิกเป็นละหมาดที่พวกมนาฟิกไม่ค่อยชอบรวมถึงละหมาดสุบกด้วยดังนั้นอผล้ที่ละหมาดขอมูน เป็นคนละหมาดที่ครบถูกต้องตามเวลาของมันด h e i m m u เขาเรียก ว, ว่าดาว a n คําว่าดาว a n เนี่ยเหมือนกับเราลงเวลาเวลาที่เราไปทํางานเราต้องลงเวลาหรือเปล่าครับอะเจ้านายบอกว่ า, เ, าเริ่ม ง, งานแปดนาฬิกาอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปตอกบัตรหรือไปสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเราต้องไปก่อนแปดนาฬิกาหรือเปล่าหรือว่าเราไปตอนไหน นี่คือมาจากคําว่าดาวา ห, หรือดาอิมูนเวลาสุบุกมันมีอยู่เท่านี้ก็เอาทาั้งผิออดโจรสเท่านี้ก็เท่านี้แหละคือดาอิมูนตรงตามเวลาของมันอันนี้ความหมายในลักษณะที่หนึง่งความหมายในลักษณะที่สองบางทั f ซี r บางอุลามะก็ตั้ซียว่าให้คําอธิบายว่าหมายถึงเขาเวลาที่เขาละหมาดเนี่ยเขาใจของเขาอยู่กับตัวตลอดเวลาดาอิมูนหมายถึงว่าใจนี่อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ใช่ว่าพราหมณ์ปุ๊บขึ้นเครื่องบินไปไหนไม่รู้หรือขับรถไปไหนลงลงทะเลบินไปไม่รู้ไหนตอนไหนแต่นี่ไม่ได้ดาอิมุนไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวครอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอายัดนี้มันใกล้เคียงกับอายัในซุรักอัลมุมินูน อายัใกล้เคียงกันมากเลยเนี่ยอายัดส 3, 4, 8, 7, 8เจ็ดดอายัดเนี่ยใกล้เคียงกับสุรอัลหมุนมากเลยสุรอะตุลหมุนอัลอลอฮอเริ่มต้นด้วยคำว่า قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون เริ่มด้วยกันละหมาดเหมือนกันแต่เป็นการละหมาดที่ขอชวยขอชว่วยก็คือใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราอ่านอะไรเราเรารู้ตัวเราอ่านอะไรอยู่ซึ่งเป็นปัญหาหนักมาก สำหรับคนละหมาดอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนไม่ละหมาดนะเพราะคนไม่ละหมาดเนี่ยมันจะข้อเชาะได้ยังไงมันไม่ละหมาดอยู่แล้วอันนี้เป็นปัญหาของคนละหมาดอ่ะปัญหาของเราอ่ะใช่ไหมเราเจอไหมกรณีที่เราละหมาดแล้วเฮ้ยเสียว่าสามเนี่ยละหมาไปละหมาดมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเริ่มจําไม่ได้เพราะอะไรครับไม่รู้หายตอนไหนไม่รู้หลับในตอนไหนนะเหมือนคนขับรถแล้วหลับใน หลับในในละหมาดมีบ่อยมากเลยดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะและมีการแปลด้วยลองไปหาดูของเชฟมัม a m m a d f ิ r a h ั l m o n a j i d สามสิบสามสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นโคโช์ในละหมาดผมแนะนำให้ไปหามาหาจากหนังสือหรือหาจากเว็บหรืออะไรก็ได้แล้วถ้าจะทา เรียกว่าเอาไปแชร์ใน Facebook หรืออะไรอันนี้ดีมากแยกเลยแยกแต่ละแต่ละสาเหตุเนี่ยไปทําเป็นอัลบั้งใน facebook แล้วก็ทําแชร์นะครับเพื่อที่จะได้เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะให้คุชุกในละหมาดเนี่ยจะต้องทายัางไงเพราะถ้าเราละหมาดไม่คุช้ชุกเหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยแค่มาพับหัวกม้มกมเงยเงก้มก้มเงยเงแต่ไม่ได้อะไรเลยอันนี้แหละที่ละหมาดแค่ไหนก็ไม่ห้ามเราทําผิด ละหมาดแค่ไหนแต่จุดอ่อนในรูในตัวของเราก็ยังคงอยู่เพราะอะไรเพราะเราละหมาดแค่เปลือกนอกเราไม่ได้ละหมาดแบบได้อิมูนมันมีความเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ว่าเทอรอสบาลแต่เราบอกว่านะคนที่ละหมาดจะพ้นหรือจะรอดจากนิสัยแย่ๆ แ, แบบนี้ไม่ใช่ทุกคนครับไม่ใช่ทุกคนที่ละหมาดต้องเป็นคนที่ละหมาดแบบ ا ل ذ ي ล هم على صلاتهم د ا ئ มู ن นะไดอิมุลก็คือทั้งสองลักษณะละหมาดตรงต่อเวลาและละหมาดด้วยความโคชูใจอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้เป็นลักษณะที่หนึ่ง น, นะครับอิลอ ال ัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นีน่คือความสำคัญของการละหมาดนี่แหละท่านรอซูลสุลัลลอฮ์สลต์ละมึงเน้นหนักมากเรื่องการละหมาดฮะเน้นหนักถึงข น, นาดว่า بين ะเบนะอัลอกุฟรี ترك ล ل ص ل ا ح أو كما قال ระหว่างบ่าวคนหนึ่งกับการที่เขาจะตกเป็นกูฟรเนี่ยหนึ่งในจำนวนสาเหตุที่ทำให้เขาตกเป็นกูฟรก็คือการทิ้งการละหมาดละอิลฮะอิลลอห์ละเขาเราละความใจละเบลล่าเป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับการละหมาด <c oughs> <c oughs> ไปอันนี้หนึ่งประการก็คือคนที่ละหมาดตรงต่อเวลาแล้วก็มีความกรศคนพวก น, นี้จะพ้นอินชาลอจาโรคทางจิตทางหัวใจที่เราแต่ลาพูดถึงประการที่สอง و ลดีน نهم و ล ل า ي ن ฮ ي ห م و ا ل ه م ح وم, ล م ม ل و م อิล ئ ر ا ل م ح รّ م บรรดาผู้ที่ใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของเขาตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดกับพวกเขานั่นคือ จ, จ่ายรักษาแก่ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาและแก่ผู้ที่ไม่ได้ยื่นมือขอฟีอัมวาลีหิมฮักกุมาลุมอัมวาลีหิมหมายถึงทรัพย์สมบัติที่เราได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานะจัลละมันมีสิทธิที่ทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องออกสําหรับ มุสลิมนะคนที่ศรัทธาต่อรอดสุภาเนาะตาลาเขาจะไม่คิดว่าสิ่งที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิของเขาหมดเลยไม่มันมีสิทธิของคนอื่นอยู่ในทรัพย์สินของเราด้วยเอาละตาลาให้เราเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินที่พระองค์ทรงประทานให้แต่มันไม่ใช่ของเราทั้งหมด ح กกุ ม, มั่งลูมแล้วมันไม่เยอะ ไอสิทธิที่เราต้องให้กับคนอื่นเนี่ย2อ 2.5% หางอมายถึงอะไรฮะรัา ก, กาศรัา ก, กาศวาจิบเนี่ยรัา ก, กาศที่เป็นฟา ร, รดูเนี่ยเท่เากับเาะบังคับใครที่มีเงินตามพิกัดตามพิกัดด้วยนะไม่ใช่ทุกคนต้องออกถ้าเป็นวาจิบนะมีตามพิกัดแล้วก็ถึงเวลาครบครอบปี ถึงเวลาครบครอบปีหรือถ้าเป็นคนที่ค้าขายคนที่เพาะปลูกก็จะมีจํานวนเนี่ยเราเรามีหนังสือเรื่มสีแดงเนี่ยไหนลนะเนี่ยมีหนังสือเรื่มสีแดงจะมีระบุเลยว่าพิกัดอา ก, กาศเท่าไหร่พิกัดของอะปะซุสัต์เท่าไหร่พิกัดของทองเท่าไหร่ของอโลหะเงินเท่าไหร่ก็จะระบุหมดลนะไม่มีความเขาเรียกว่ากดขี่เราอย่างแน่นอน พีพว่เราบอกว่ารุกลิสลามมีห้าประการหนึ่งในจํานวนนั้นคือต้องออกสา ก, กาัดโอ้ยเรื่องมากจังเลยอิสลามอะไรเนี่ยเงินของฉันดีๆทําไมต้องออกส ก, กาดด้วยดูรายละเอียดก่อนก่อนที่จะบน่นแล้วทั้งชีวิตนี่เคยออกบ้างไหมส ก, กาดเนี่ยถามจริงๆสมมตินะไอคนที่ชอบบ่นทั้งหลายเนี่ยสองจุดห้าเปเซนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณออกแค่สองบาทห้าสิบตังค์สองบาทห้าสิบตังค์ซื้อไข่ฟองหนึ่งยังไม่พอเลย ท่าทำเป็นโอนครวนโอ้ยบอกออกสอจุ้าสตางค์เวลาที่ออกภาษีเจ็ดเปอร์ซไม่เห็นบ่นอะไรภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดอร์ซ็นต์ทไมไม่บ่นบ้างในดุนีย์นี้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะน้อยไปกว่าสากาัดพิกัดสักกองจดหาเปอร์เซภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเรซ็นเาไม่เคยบน่นถ้าภาษีเงินเดือน่ะภาษีรายได้รายได้ก็ไม่กว่าอะไรนะ เงินอ่าบุคคลธรรมดาอันนี้มากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นอีกไม่ว่าอะไรเลยแต่ทําไมพอกับอีแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้เ ห, โ ห, โ ห, โหมือนกับโลกจะถล่มจะลายเหมือนกับจะจนวันนี้พรุ่งนี้สุภาพน้าอัลลอฮ์และอิละฮิลลอฮ์ัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์แต่เราบอกว่าทุกอย่างที่เราออกไปในผนทาง ข, งของพระองค์เนี่ยพระองค์จะทําให้มันเพิ่มถูก าซกคำว่าซักหะเนี่ยแปลความหมายได้สองความหมายเช่นเดียวกันหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าทำความสะอาดไอ้สองจุด้าที่เราออกไปเนี่ยเป็นการทำความสะอาดหัวใจเพราะถ้าเราไม่ออกบ้างเนี่ยใจของเรามันก็จะฮลโหล อ, อยู่ตลอดเวลาจะละโวกอยู่ตลอดเวลาพอออกบ้างมันจะรักษาใจตรงเนี้ยออกไปนี่ความหมายที่หนึ่งของคำว่าซักกะตะทีร ทำความสะอาดความหมายที่สองอัลจาการหมายถึงเพิ่มฟูนออกไปนิดหนึ่งอาละต่าเาก็จะเพิ่มเข้ามาอีกุ س ب านั Allah ลลมีพูดนะครับในส ة, ุสระสุระตุรุ่าจำไม่ผิดอลองกลับไปเปิดดูในสุระตุรุ่งที่อาละต่าเาบอกว่าอะไรก็ตามที่ว่มาว่มาตุ้งฟิคุม อ, อะไรนะมีในสุระตุรุ่งจำไม่ได้นะครับ เ อ, อลัลละลาบอกว่าอะไรก็ตามที่เราใช้ใจใ่ายในหนทางเพราะมันก็จะเพิ่มพูนเอลัลละลาจะทำให้มันเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นดูให้ดีประการที่หนึ่งอลสล่เป็นอิบะดะตุนบาดานีเป็นอิบาดักในเชิงเชิญร่างกายในขณะที่การจ่ายทรัพย์สินในหนทางของอัลลอฮฺอตะอาลันี่เป็นอิบะดะตุนมาลีเป็นอิบาดักเชิงทรัพย์สินนะครับ นี่คือความงดงามของอิสลามทุกอย่างสามารถที่จะนำความดีมาสู่เราได้หมดเลยฮักกมมะลุมนะครับเป็นสิทธิที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วสำหรับใครบ้างลิสซาอิลีวัลมะฮูมอซาเอหมายถึงคนที่มาขอคนที่ขอเนี่ยเราต้องให้มีในบางบางบางบา ง, บางรืวอยรหรือว่าบางอะดิสเนี่ย รู้สึกว่าจะเจอแถวๆนี้แหละนะครับที่าบอกว่าอ s a อ l aladi y a s อ l u غيره الصدقة นะคนที่มาขอสระก็ขอขอหน่อยนะสะลรับางคนเนี่ยไม่ถามเลยไม่ถามเลยมาขอปุ๊บคือไม่ตั้งแง่อ่ะถ้าเป็นเราก็แ <c oughs> ง <c oughs> ดูให้ก่อนพีครบสามสิบสองนี่วะ <c oughs> เรามาเที่ยวขอทำไมเราต้องตั้งตั้งตั้งตั้งใ้วตั้งข้อสังเกตก่อนมาจากตำบลอะไรถทา้าก่อนมีใบอะไรนะมีใบอนุญาตจากกรรมการอิสลามรึเปล่าอันนี้ใช่ไหมเราได้กลัวกลัวจะเป็นมิจฉาชีพบางทีมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเราจะอธิบายยังไงดีหมายถึงว่าบางทีเราก็กลัว กลัวว่างเงินที่เราให้เขาไปเนี่ยจะเป็นพวกที่มาต้มตุ๋นหรือมาหลอกก็เลยไม่อยากจะให้บางที่มันไส้มันไปนะครับมันไส้มันไปแต่ถ้าดูจากอายันี้เนี่ยอายักนี้นี่แล้วก็พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของของคนสมัยก่อนของอุลามะสมัยก่อนนี้เขาไม่ทำบางคนเนี่ยถึงกับอธิบายว่าใครก็ตามที่ถูกขอหรือมีคนมาขอจากเขาเนี่ย ก็จงให้เข้าไปถึงแม้ว่าคนที่มาขอเนี่ยจะขี่ม้ามาก็ตามสุภานัลหลให้ไปสิให้เท่าที่เราสามารถจะให้ได้เพื่ออย่างน้อยที่สุดให้เราได้ปฏิบัติตามอายะ์อัลกุรอานที่อัลลาฮ์ตาลาบอกว่าลิสอยลิวลมฮรูมให้กับคนที่ขอให้บาทสองบาทก็ว่าไปถ้ามันไส้นักก็ให้ให้ประมาณอย่าเยอะ ไม่เท่าไหร่เยอะทักตัวจะโดนหลอกใช่ปะให้ให้สักพอให้มันค้นไปจากอะไรเขาเรียกอายัดนี้ลิห้แต่ว่าเวลาให้นี่อย่างมันไส้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้บุญ <laughs> ให้ด้วยความจริงใจแต่ว่าใหอ้อยากเหมือนกันนะจนวุ่นจะจ ะ, จะแก้ปัญหานี้ยังไงดีให้แต่ไม่มันไส้อ่ะเออพวกที่แบบมาแล้วมีกลิ่นแปลกๆนีกลิ่น มันจะมาหลอกเราหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ให้ไปตะนะครับให้ไปนะครับคิดถึงอายักนี้ก็แล้วกันอาซาเอลหมายถึงคนที่มาขอวัลมาฮูว ah ัลมาฮูหมายถึงคนที่ไม่ได้ขอมันจะมีคนบางประเภทที่น่าสงสารซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะให้ความช่วยเหลือมากกว่าคนที่มาขออีกในบางกรณีคนที่ขอไม่เป็นพูดไม่เป็น นะตัวเองลําบากแต่ก็อยู่ไม่ได้ขออะไรเลยอันนี้จําเป็นมากๆนะที่เราจะต้องไปช่วยเหลือไปหาทางที่จะช่วยเหลือกับเขาได้สองคนนลักษณะนะครับที่รอบลลสุภานันตะอาาลาเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม เ, มเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเรื่องเล่าของบรรดาสรับเกี่ยวกับออะไรนะการให้สรับก็เนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะผมเคยอ่านผ่านๆแต่จำไม่ได้ว่าอ่านตรงไหนนะครับมีเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่า เกี่ยวข้องแล้วก็มีมีมีมีความประเสริฐอะไรบ้างนะครับการสอดก็เนี่ยนอกจากอากาศแล้วเนี่ยการสอดก็ทั่วไปเนี่ยก็มีประโยชน์มากสําหรับคนที่ให้สอดก็บางทีไอ้คนที justice, ่รับสอดก็เนี่ยไม่ได้ต้องคือเราเนี่ยต้องการความประเสริฐของสอดก็มากกว่าคนที่มาขอตังค์จากเราอีก เรามีความจําเป็นที่จะต้องฝึกตัวเองให้รู้จักการจ่ายทานให้กับคนอื่นมากกว่าความจําเป็นของคนที่ไม่มีตังค์จะกินแล้วก็มาขอจากเราอีกกันซาดาก็ยังมีประโยชน์มากมีหนังสือเขียนมาเล่นหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของซาดากะหนึ่งในจํานวนประโยชน์ของซาดาก็ฟังให้ดีคือการรักษาโรคอัตเตดาวีบิซาดาก็คนที่เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคอมรัมพฤกษ์ เป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นโรคร้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าหาทางรักษาอย่างอื่นไม่ได้แล้วลองดูลองเนียดกับการสดาโคะดูสดาโคะเนียดเพื่อที่จะรักษาโรคมีในสมัยก่อนท่านน่ะปรู้สึกมีในะฮะดิษด้วยการรักษาโรคด้วยการสดาโคะสดาโคะนะด้วยการวาคาฟอันนี้ยิ่งดีใหญ่การวกคาฟเนี่ยบ้านเราวัฒนธรรม อาจจะไม่เหมือนคนอนรพี่นองเช่อหรอเป่าครับในสมัยยุคอับบาซียะยุคที่ประเทศซีเรียรุ่งเรืองซีเรียตอนนี้ที่มีปัญหาตอนนี้สมัยก่อนนี่รุ่งเรืองมากเมืองดิมัชเนี่ยเมืองดามัสกัสเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นแหล่งตะ ก, กะศิลาใช่ป่ะเออเขาเรียกว่าตะ ก, กะศิลาไหมตะ ก, กะศิลาก็คือแหล่งที่รวบรวม มันดาอลลัทุกมัธบดิมะชเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่ารวมมัธับทุกมัธับเลยชฟาฟีอีมาลิกีฮัมบาลีจะอยู่ในนั้นหมดเลยจะอยู่ในแล้วเขาเราียกาเป็นอรยธรรมความรู้ไม่มีไม่มีกันแบบการทะเลาะกันการะตะอาสุกไม่มีทำไมนั้นแล้วทุกมัธับเนี่ยที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่า บัณดาอุลามะบัรดาอุลามะไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยในการหาเลี้ยงชีพเองเพราะประชาชนคนที่มีเงินคนที่มีตังเนี่ยเขาจะเาจะใช้ระบบที่เรียกว่าอัลลอกบบางคนเนี่ยอย่างเช่นลูกศิษย์ในมัสฮับชาฟิอีก็จะวัก์กอาคารหนึ่งอาคารให้กับให้กับมัสฮับชาฟิอีเลย นะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในสังกัดมัสยิดชั้นก็จะมาใช้อาคารนี้มาอยู่ตรงนี้มากินนอนตรงนี้เหมือนปอนเนาะเหมือนมหาวิเชลัยลเลยมัสยิดอัมบาลีก็จะวกัฟให้กับมัสยิดของเขาเลยอ่าก็จะนี่คือผลพวงของการวกัฟเนี่ยในโลกอิสลามสมัยก่อนทําให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมีการเขียนหนังสือการวิจัยการทุกอย่าง ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากการที่ระบบวากวักฟเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะครับว่าปัจจุบันนี้เยเราจะทํำยังไงให้ระบบวากวักฟเนี่ยมันเกิดขึ้นในในสังคมมุสลิมของเราอีกครั้งหนึ่งซาบาะสมัยก่อนทุกคนวากฟัฟหมดเลยท่านนับีสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยก่อนที่จะเสียชีวิตให้มีวากฟัฟให้มีวากฟัฟของตัวเองเพื่อ จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งนอกจากที่เราจะลงทุนแบบการศึกษาหาความรู้ละลงทุนแบบวกักขจวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันะถ้าถ้าสนใจจะมาพูดกันเรื่องนี้ถ้ามีเวลานะครับถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญมากแต่จะบอกว่าสองอย่างนี้ที่เลาแต่ละพูดถึงเนี่ยมันมันรวมอยู่ในรูปกล伊斯兰นั่นก็คือการละหมาดแล้วก็การจ่าย zakat รวมถึงการซัาลอกก็ทั่วไปด้วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจ่าย z กกา t ซึ่งเป็นสองอมัลสองคุณลักษณะแรกที่สามารถจะรักษาโรคหรูรักษาจุดอ่อนของมนุษย์ได้ถ้าเราต้องการจะกำจัดจุดอ่อนในตัวของเรารักษาละหมาดให้ดีและ2ประการที่สองตามที่ซุราะนี้พูดถึงก็คือการบริจาคทา น, นาการใช้ใจ่ายทรัพย์สินของตัวเอง ไอ้คนทางของ Allah سبحانه และ تعالى โอเคไหมครับ تعالى ع ل م ص ل الله على ي ن محمد وعلى ل ص ح وسلم سبحان ك ع ز ة أ م ا ي َ س ف و ن س ل ا م ع ل ى ا ل م س ل م الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ي السلام ع ك م ورحمة الله و ر ك ا ت